พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิอพระสูตรที่8สิงขาละกะสูตรสูตรว่าด้วยสิงขาละกะมานพพระผู้มีพระภาคประทับณเวรุวันคือป่าไผ่ใกล้กรุงราชคฤก์เช้าวันหนึ่งเสด็จสู่กรุงราชฤก์เพื่อบินธบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงขาละกะมานพมีผ้าเปียกมีผมเปียกไหว้ทิศทั้งหกอยู่ ตรัสถามทราบว่าเป็นการทำตามคำสั่งของบิดาจึงตรัสว่าในอริยวินัยไม่พึงไหวทิศแบบนี้เมื่อมานกราบอุนถามว่าพึงไหวยอย่างไรจึงตรัสแสดงธรรมเป็นลำดับว่าเพราะเหตุที่อริยสาวกคือสาวกของพระอริยะละการรมกิเลสสี่ได้ไม่ทำกรรมชั่วโดยฐานะสี่ ไม่เสพปากทางแห่งความเสื่อมทรัพย์6ประการเขาปราศจากความชั่ว14ดังกล่าวไว้แล้วเป็นผู้ปกปิดทิฏหชื่อว่าปฏิบัติเพื่อชัยชนะในโลกทั้งสองคือโลกนี้และโลกหน้าเมื่อตายไปก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์กัมมะกิเลสีกัมมะกิเลส คือการกระทาที่เศร้าหมองมีสอย่างที่อริยสาวกละได้คือหนึ่ง่าสัตว์ 2. ลักทรัพย์ 3. ประพฤติผิดในการม 4. พูดปดไม่ทำความชั่วโดยฐานะสี่อริยสาวกไม่ทำกรรมชั่วโดยฐานะสี่คือถึงความลำเอียงเพราะรักเพราะชัง เพราะหลงเพราะกลัวทำกรรมชั่วอบายมุขหกอริยสาวกไม่เสพปากทางแห่งความเสื่อมทรัพย์หกอย่างคือหนึ่งเป็นนักเลงสุราสองเที่ยวกลางคืนสามเที่ยวดูการเล่นสี่เล่นการพนันห้าคบคนชั่วเป็นมิตรหก เกียรคร้านครั้นแล้วส่งแสดงโทษของอบายมุกแต่ละข้อข้อละหกอย่างมิทียมสี่ประเภททรงแสดงมิทียมคือมิตรปฏิรูปกะ4ประเภทคือ 1. มิตรปอกลอก 2. มิตรดีแต่พูด 3. มิตรหัวประจบ 4. มิตรชวนในทางเสียหาย พร้อมทั้งแสดงลักษณะของมิตรเทียมทั้งสี่ประเภทนั้นประเภทละสี่ประการมิตรแท้สี่ประเภทรร ท, รเภ ท, ทรงแสดงมิตรแท้สี่ประเภทคือ1มิตรมีอุปการะ2มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข3มิตรเนประโยชน์4 r นุ u k a r a m p คือมิตรอนุเคราะห์ พร้อมทั้งแสดงลักษณะของมิตรแท้ทั้งสี่ประเภทนั้นประเภทละสี่ประการสำหรับข้ออนุกรรมประกะหรือมิตรอนุเคราะห์นั้นในนวโกวาดใช้ว่ามิตรมีความรักใคร่คือทุบๆด้วยสุขๆด้วยโตเถียงคนที่ติเตือนเพื่อนรับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนส่วนมิตรมีอุปการะประเภทแรกคือป้องกันเพื่อนผู้ประมาท ป้องกันทรัพย์ของเพื่อนผู้ประมาทเมื่อมีภัยเอาเป็นที่พึ่งได้เมื่อมีธุระออกทรัพย์ช่วยเหลือเกินกว่าที่ออกปากในที่นี้ได้เทียบให้ดูมิตร ม, มีอุปการะกับมิตรอนุเคราะห์ซึ่งมีชื่อคล้ายกันว่ามีลักษณะต่างกันอย่างไรทิศหคือบุคคลหประเภทอริยสาวก เป็นผู้ปกปิดคือปฏิบัติชอบทิศทั้งหกคือควรทราบว่า 1. ทิศเบื้องหน้าได้แก่มารดาบิดา 2. ทิศเบื้องขวาได้แก่อาจารย์ 3. ทิศเบื้องหลังได้แก่บุตรภริยา 4. ทิศเบื้องซ้ายได้แก่มิตรอัมมาคำว่าอัมมาเป็นสำนวนบาลีหมายถึงมิตรอย่างเดียว ห้าทิศเบื้องล่างได้แก่ธาตุกรรมากร 6. ทิศเบื้องบนได้แก่สมณะพรามคำว่าพรามก็เหมือนกันเป็นํำนวนแปดกับคำว่าสมณนะคงหมายเฉพาะสมณนะครั้นแล้วทรงแสดงการปฏิบัติต่อบุคคลทั้ง6ประเภทที่เปรียบเหมือนทิศหเหล่านี้ป่ายละหประการเป็นการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อการทุกไป เช่นมารดาบิดากับบุตรธิดาอาจารย์กับศิษย์สามีกับภริยามิตรกับมิตรนายจ้างกับลูกจ้างสมณะกับประชาชนสิงค้าละกะมานพก็เลื่อมใสพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตหมายเหตุพระสูตรนี้ชาวยุโรปเลื่อมใสกันมากว่าจะแก้ปัญหาสังคมได้ เพราะเสนอหลักทิพย์หกอันแสดงว่าบุคคลทุกประเภทในสังคมควรปฏิบัติต่อกันในทางดีงามไม่มีการกดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลงไปอันหนึ่งในที่นี้ไม่ได้แปลารายละเอียดทั้งหมดเพื่อรวบรัฐผู้ต้องการทราบรายละเอียดโปรดอ่านหนังสือนวโกวาดซึ่งพิมพ์แพร่หลายแล้วนับจำนวนล้านฉบับ